วันเสาร์ที่29ธันวาคม2527ตอนเช้านี่เมื่อธรรมวันเช้าเสร็จแล้วก็ได้แน่แนววิธีปฏิบัติธรรมเป็นบางบทบางตอนให้พวกเราได้ฟังไปแล้วในขณะนี้ หนึ่งมองห้าสิบสี่สิบแปดนาทีก็จะให้ข้อคิดตามแนวที่คิดเอาไว้ในขณะนี้ว่าจะพูดเรื่องคนถึงธรรมธรรมถึงคนคำว่าคนถึงธรรมธรรมถึงคนนี่หมายถึงอะไรถึงที่ตรงไหน คนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มีบางคนยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มีคําว่าคนถึงทำทำถึงคนนี้ก็เมื่อเราไม่ถึงเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้เมื่อเราถึงแล้วเราก็ต้องเห็นเราก็ต้องรู้สมมติว่าเราจะมาวัดสนามไหน เรารู้ว่าวัตนมไในมีแต่เรายังไม่ไปถึงวัตนามไหนก็ไม่รู้ทิศทางว่าเป็นอย่างไงวัตนา้ำในมีรูปร่างลักษณะสันฐานอย่างไรเราไม่รู้แต่เมื่อเราเข้ามาถึงมาเห็นแล้วก็รู้ดังนั้นคมรู้นนจึงมีสองอย่างด้วยกันรู้ไม่เห็นอันหนึง่งอันหนึ่งเห็นแล้วก็รู้รู้แล้วก็เห็น นี่ยมันสักกันไปอย่างนี้แต่คนกลางไปบางคนก็รู้และต้องเห็นเห็นแล้วต้องรู้นั่นก็อีกอย่างหนึ่งดังนั้นการเข้าถึงธรรมนี่แต่ธรร ม, มะมีอยู่ในตัวเรานี่เองเราไม่เคยเข้าถึงก็เลยไม่เห็นธรร ม, มะก็เลยไม่เข้าถึงธรร ม, มะคาว่าธรรมะธรร ม, มะเนี่ยธรร ม, มะนั่นคือการกระทํา การทำดีเรียกว่าธรรมะเป็นกุศลธรรมถ้าทำไม่ดีบ่ น, นี้ก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่เป็นธรรมอกุศลธรรมเรียกว่าธรรมชั่วเราต้องเข้าถึงตอนนี้ไม่ใด้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเจ้าชายศิษถากุ ม, มานในประเทศอินเดียคุณไม่ใช่อย่างนั้นการเข้าถึงธรรมะก็เข้าถึงตัวเรานี่เองเข้าถึงรูปถึงนามอันนี้เป็นเปลือกเรียกเป็นขั้นหนึ่ง ไม่เป็นเปลือกเป็นกะทิแบบนี้เมื่อเข้าถึงตัวจิตตัวใจแล้วเข้าถึงลึกเข้าไปก็เห็นจิตเห็งใจตัวเองอันนั้นก็เข้าไปถึงธรรมเหมือนกันดัง น, น, นั้นการเข้ามาวัดสนามในทีแรกก็ต้องมาถึงปากซอยโน่นทางนี้แหละเข้าไปวันสนามในบางคนก็มาแค่นั้นก็ น, นี้มาถึงแล้วก็กลับคืนบางคนเดินเข้ามาถึงเห็นห ล, งลังรถไฟ โอ้นี่กระทางเข้าไปวัดสนามในเหมือนกันมาถึงที่นั่นก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ตรงไหนกลับคืนก็มีบางคนบางคนก็เข้ามาถึงริมริมวัดสนามในมันมีคลองรอบๆตัวนี่เมื่อมาถึงคลองรอบตัวก็เลื่นไม่เข้าไม่เข้ามาก็มีเพราะไม่รู้วิธีเข้ามาบางคนก็เข้ามาถึงที่วัดก็เดินรอบๆวัดก็ยังไม่รู้ว่ามีกุฏกี่หลังและมีศาลาพักอยู่ที่ตรงไห น, น ที่แสดงทําอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็มีบางคนเข้ามารู้จริงๆเดินรอบมีอะไรอยู่ที่ตรงไหนก็รู้อันนี้ก็เป็นการเข้าถึงวัสนมไหนการเข้าถึงธรรมมากกว่าเช่นเดียวกันหรือธรรมถึงคนคนถึงธรรมแต่เราเข้าใจกันไปลึกมันก็เลยข้ามไปที่อาตมาหรือตัวของผมจะพูดในวันนี้ก็ คือเข้าถึงตัวเรานี่เองเห็นตัวเรากำลังทากำลังพูดกำลังคิดนี่เป็นเข้าถึงธรรมขั้นหนึ่งไม่ใด่เห็นผีเทวดานรกสวรรค์อันนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งเข้าถึงตอนนี้บัดนี้เมื่อเข้าถึงตอนนี้เราเข้าถึงที่ว่าเรากราบเราไหว้เรากราบใครไหว้ใครเรากราบพระพุทธรูปหรือกราบพระพุทธเจ้า อันนั้นก็เข้าถึงอีกแบบหนึ่งถ้าเราเข้าถึงจริงๆแล้วกราบคือเราเข้าถึงตัวเรากราบตัวเราไหว้ตัวเราเพราะเราเคารพธรรมธรรมะจริงๆคือตัวเรากําลังทำกําลังโคตรกําลังคิดไม่ใช่ไปกราบพระพุทธลูกทีแรกอาจจะมาก็กลาบพระพุทธลูกเข้าไปในวัดก็กลาบพระพุทธลูกกลาบพระสงฆ์อันนั้นก็จริง นั่นคือว่าเรายังลืมตัวเราเรายังไม่เข้าถึงตัวเราเรายังไม่ถึงธรรมะแท้เมื่อความจริงแล้วเราเข้าไปกราบพระพุทธรูปอากาจริงแต่เรากราบตัวเราให้เห็นว่าเราทำดีนี่เนี่ยเป็นกุกศลธรมรมเดี๋ย ว, วทาด้วยความสำหรับเดี๋ย ว, วเขาถึงทำเราไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันแต่เราไหว้เราทาดีเดี๋ย ว, วดูสภาพเราทำดี อันนี้ก็เป็นการเข้าถึงธรรมธรรมถึงคนคนถึงธรรมบัด น, นี้เมื่อเราเข้าถึงจริงๆคือจิตใจบรรลึกมันคิดขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วก็เห็นแล้วเข้าใจสภาพหรือภาวะของความคิดมันเป็นอย่างนี้นี่ยก็เป็นการเข้าถึงธรรมเช่นเดียวกันต่อจากนั้นก็มันมีอารมณ์มันมีอารมณ์ไปอารมณ์ไม่ต้องพูดเพราะพูดตอนเช้านี่แล้ววันนี้ส จะพูดโดยสพาะที่เข้าถึงทำเมื่อเข้าถึงตัวสภาพภาวะของจิตใจมันนึกมันคิดแล้วอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแบบนี้เข้าถึงอีกลึกๆเข้าไปลึกเข้าไปที่ตรงไหนก็เห็นสภาพรูปภาวะที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรทุกคนต้องรู้เดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์ไม่สุขที่มันทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรที่มันสุขเกิดขึ้นมาเพราะเรื่องอะไร เนี่ยเราเข้าถึงตอนนี้ก็เดียวเข้าถึงธรรมากเหมือนกันที่มันทุกขึ้นมานั้นคือเราลืมตัวพอเดชเกิดทุกข์ขึ้นมาเข้าถึงปุ๊บทุกข์หายไปทันทีเพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาคุ้มของระวังเราเมื่อเราเห็นเรารู้กลุมทุกข์ก็หายไปทันทีแบบ น, นี้เมื่อเราเข้าถึงอีกแบบหนึ่งมีความสุขสบายใจเพลิดเพลินเนจเริญดี อันนั้นก็เข้าถึงอีกแบบหนึง่งอันนั้นก็หายไปเองอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นสัจจะที่แน่จริงแน่นอนอะไรคือมันขึ้นขึ้นลงลงตัวธรรมซา จ, จริงๆแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ลงปล ก, กติอันนั้นเรียกว่าเข้าถึงธรรมนะสั้นหนึ่งตอนนี้ก็เลยมาพูดกันเรื่องโทสะโมหะโลภะอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงธรรมเช่นเดียวกันเข้าถึงขั้นหนึ่ง พอได้เข้าถึงตัวโทสะโมหะโลภะแล้วโทสะโมหะโลภะก็จางไปคายไปวันนี้ก็เข้าถึงตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาก็ไม่ทุกสัญญาก็จำได้แต่ไม่ทุกสังขารก็ไม่ถูกปรุงวิญญาณก็รู้ ไม่ใช่ว่าวิญญาณตายแล้วล่องลอยออกจากร่างกายที่ไปเข้าท้องคนนั้นไปเข้าท้องคนนี้อันนั้นไม่เกี่ยวข้องเรื่องวิญญาณตัวนี้ตัวนั้นเป็นวิญญาณของคนที่แบบนั้นแต่เขากระรู้แบบนั้นเขาต้องสอนแบบนั้นเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็จะวกเข้ามาเรื่องพุทธศาสนา จ, จะเจริญและเสื่อมไปเดี๋ยวนี้คนที่สอนไม่ได้พูดคนนั้นคนนี้หรอกคือคนที่สอน พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าพุทธศาสนาของเราสถาปนี้จ ะ, จะเจริญมั่นคงต่อไปก็ต้องอาศัยพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษูนีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอยู่โดยชอบแล้วพุทธศาสนาก็จเจริญในทางตรงกันข้ามภิษูภิสูนีอุบาสกอุบาสิกา อยู่โดยไม่ปกติไม่ไม่ชอบทมพุทธศาสนาก็เสื่อมอันตรธานหายไปอันนี้ก็มีคนพูดกันเยอะแยะและก็ตำลาก็เคยมี ก, กันพูดกันอย่างนี้ตอนนี้ก็จะมาพูดกันเพียงสั้นๆเพื่อให้เราทุกคนได้จับเอาใจควมนี้ไปพิจารณาว่าพุทธศาสนาจะเจริญก็ตามจะเสื่อมไปก็ต่างก็ต้องอาศัยบริษัท สี่เช่นเดียวกันคือผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงก็เป็นพุทธบริษัทหนึ่งผู้ชายก็เป็นพุทธบริษัทหนึ่งสองคนนี้เองบัด น, นี้ตัวศาสนา จ, าจะเจริญจกเสื่อมไปนั้นก็ต้องอาศัยสองคนนี้สองคนนี้หากไม่รู้แต่เที่ยวเทเที่ยวสอนอันนั้นแสดงว่าคนนั้นน่ทำหลายพุทธศาสนาไม่รู้ไม่เข้าถึงธรรม แต่ไปพูดว่าเรารู้เราเข้าถึงธรรมอันนี้ก็ทำให้พุทธศาสนาจิตหายไปไม่รู้แต่เทียเท่ยวเทศเที่ยวสอนมันผิดก็ไม่รู้มันถูกก็ไม่รู้จะถือว่าคนนั้นเป็นคนหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรคนเกิดมาหน้าตาเป็นคนแต่ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกจะถือว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นได้แต่เทียงคนเนขออ้าใจจังนวะ น, นี้อีกคนนึงรู้แต่ไม่ตอน ไม่สอนใครเลยเข้าไปอยู่ในป่าในดงอันนี้ก่อไม่ทำให้พุทธศาสนาเจริญได้แต่เจริญเฉพาะเราเอาตัวเราค้นไปได้คนเดียวก็ดีแต่ไม่ทาลายคนอื่นอันนี้ก็ออีกอย่างหนึง่งบัด น, นี้คนหนึ่งแต่ไม่รู้ไม่สอนไม่รู้และไม่สอนใครเลยอยู่อย่างนั้นเนี่ยตะเปะตะปาะไปอย่างนั้นเนี่ อันนี้ก็ไม่ได้ทำให้พุทธาศาสนาเสื่อมเละเป็นพิษ เ, เป็นภยัยอันนี้คนนี้อยู่เฉยๆวันนี้คนหนึ่งรู้แล้วก็สอนให้คนที่ไม่รู้นั่นได้รู้และคนที่ไม่เคยได้ยินเที่ยวสอนให้เขาได้ยินได้ฟังคนนี้แหละทำให้พุทธาศาสนาจเจริญแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ที่อาตามาพูดนี้ ดังนั้นพุทธศาสนาจะเจริญนั้นคือบุคคลที่เข้าถึงธรรมทำ ถ, ถึงคนจริงๆแล้วกว่าสอนบุคคลที่ยังไม่รู้ตัวธรรมะมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าเองท่านว่าสภาพหรือภาวะเดิมของคนนั้นเหมือนกันเหมือนกันคนไทยก็เหมือนกันคนจีนก็เหมือนกันฝรั่ ง, งเศสอังกฤษอเมริกา คนเขมรคนยวนคนลาวหรือคนอินเดียที่พระพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียก็เหมือนกันมีตาสองตามีหูสองหูมีจมูกสองลูให้ว่าเหมือนกันทุกแง่ทุกมุมทีเดียวแต่ไม่มีใครสอนน้อก็เลยไม่รู้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้แต่การที่เขาลบให้ทานรักษาเสียงปราบไหว้ มีอยู่แล้วพระสองฆ์องค์เจ้าก็มีอยู่แล้วแต่พุทธศาสนานั้นยังมืดบอดอยู่พระองค์ก็สอบแสวงหาครูอาจารย์พวกท่านทั้งหลายก็คงจะเคยรู้เคยได้ยินว่าไปศึกษาอยู่กับอาจารย์สององค์คืออาราดาบทและอุทกาดาบทสองอาจารย์นี้อาจารย์คนแรกสอนให้ได้สมาบัติเจตสมาบัติเจตนั้นเราเคยเข้าใจกันอยู่แล้วว่า รูปสารสีรูปสารสามเท่าสารออกสารได้คล่องแพ้่วว่องไวเหมือนกันกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมถามอาจารย์ว่อหมดแล้วผมรู้ที่จะสอนเนี่ยแต่พระองค์คราวนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นคนธรรมดาอย่างเรากําลังสอะแสวงหาอย่างทุกวันนี่แหละก็ไม่พอพระไทยห น, นีจากอาจารย์ตรงนั้นลาหนี มาศึกษาต่ออาจารย์คนที่สองเรียว่าอุทกะดาวบทนี่หลยได้สมาบัดแปดสมาบัดแปดนั้นเราก็เคยได้ยินกันว่าลูกประสาน ส, ส, สี่เข้าซานออกซานได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือน ก, นกันกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมหรือบางทีอาจจะคล่องแคล่วว่องไวกว่อาจารย์ก็ได้เราไม่เห็นแต่เพียงมีคนพูดให้ฟัง นี่ถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกหมดความรู้แล้วแต่พระองค์ก็เห็นวัดนี้ไม่ใช่เป็นทางดับทุกเนี่ยเราควรจำให้มันดีการศึกษากับผู้อาจารย์นั้นอนะ่ะถ้าหากอาจารย์ไม่เข้าใจก็สอนไปก็ไม่ผิดอะไรนะเพราะว่าไม่รู้ก็ต้องเรียนไปต่อจากนั้นพระองค์ก็เลยหนีเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางคนทุกเไม่ใช่ทางดับทุกความสงบจึงมีอยู่สองแบบด้วยกัน สงบสมถะกรรมฐ า, านแบบหนึ่งสงบวิปัสนากรรมฐ า, านแบบหนึ่งพูดสับปนกันไปเพื่อให้รู้บัด น, นี้เมื่อพระองค์ถามว่ามุดขมรู้พระองค์ก็บหนีเลยลาอาจารย์หนีพวกปัญจวคีทั้งห้าคตามมาตามมาพระองค์ก็ไม่มีคนสอนผม ค, คิดได้คนเดียวเลยทิศทิทิศทิปไปรัคบวมเห็น ขมเห็นของเราคิดว่าเอ้ยโทสะโมหะโลภะหรือขมยิดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนเรียกกิเลสว า, านั้นก็ได้สั้นๆเร็กวกกิเลสคำ ว, ว่ากิเลสที่มันสั้นที่สุดนี่มันคงจะอยู่นาเมื่อนำหนังเป็นนํากินข้าวเป็นนํากินน้ําเป็นนําพูดนําคุยเป็นนําหายใจเข้าออกนี่แหละมัง้งก็เลยมาทําทุกข์กกิริยาแบบนี้อดข้าว อดน้ำไม่กินข้าวไม่กินน้ำกั้นลมหายใจไม่พูดไม่คุยกับใครทำจนเนื้อหนังเหลือแต่ เ, ต เ, ต เ, ต เ, ตเตนื้อหนังเอ็นกระดูกเนื้อมัอนผอมไปหมดเหลือแต่เอ็นกระดูกลดลึงกันเอาไว้เท่านั้นเองทำขนาดนั้นก็ยังไม่เป็นทางตัดสุขท่านผู้ฟังทั้งหลายจงพิจารณาเรื่องการรักษาศีลเรื่องการให้ทานถ้าอดอย่างนี้จะหาว่า ทำลายไม่ใช่อย่างนั้นจะเอากบจริงมาเล่าสู่กันฟังทําขนาดนั้นแล้วยังไม่ได้ตัดสัตวรู้กับพระองค์ก็เลยสั่นผลลไม้เดี่ยวมะขามป้อมะสมมอที่บ้านอาตมาพูดกันอย่างนั้นพวกปัญจวคีตังห้าเห็นพระองค์สั่นผลไมแล้วว่าพระองค์เนี่ยคงจะไม่ได้ตัดสัตวรู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าหรอกอย่างเนี้ยเพราะขายกลมเพียนเวียนมาม า, มากๆมีกิเลสแล้ว พวกปัญจวคีตั้งห้าก็พูดกันและพระองค์ก็เลยสันมาขับฟ้อมพวกนั้นก็ห น, นีไปและองค์ก็เดินไปคนเดียวอีกแล้วสันผลไม้ไปเมื่อสันผลไม้ไปก็มีมีมีการสงัดกายสงัดวาจาใจไม่สงบไม่สงัดนี่ความสงบสงัดมันเป็นอย่างนั้นบางครัง้งบางค่าวก็คิดถึงพวกปัญจวคีทั้งห้า ทีแรกอยู่ห้าคนหกกับเราเดี๋ยวนี้ห้าคนก็เดินไปแล้วเหลือแต่เราคนเดียวเดินไปอย่างนั้นอนะ่ะไม่ได้พูดได้คุยกับใครบางครัง้งบางคราวคิดถึงรางหุนคิดถึงพิมพาคิดถึงทรัพย์สมบั ต, ติในบ้านในเรือนทีแรกเราไม่ได้ทุกอย่างนี้เรามีแต่ความสุขกายสุขใจเราเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้ขมสุขไม่รู้แต่ว่าคิดว่าจะทุกข์ทางนั้น เดินมาพบเอานางสุดสดาอย่างนั้นมากินข้าวนางสุดสดาเนี่ยตอนนี้ฟังกันให้มันดีให้มันเกิดปัญญารู้ให้เข้าใจนางสุดสดาเอาเข้าไปบวงสวงเทวดาเนี่ยศาสนาเทวดาัะนะ้นไม่ใช่พุทธศาสน า, ศาการไหว้วนบวงสวงไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาแต่ก็ดีทาไปเพราะไม่รู้ เมื่อไม่รู้ก็ทําทไปจะถือว่าคนนั้นเข้าถึงธรรมไหมไ ม, ไม่ยังมีการไหว้บอนบวงสวงคนนั้นคนนี้ดูลืกงามยามดีพวกนี้ยังไม่เข้าถึงธรรม <c oughs> ถ้าพูดอย่างนี้ก็จะหาว่าโกหกถ้าเข้าถึงธรรมะก็เข้าถึงตัวเองจะไปเข้าโลกใครจะไปไหว้บอลใครเราก็รู้จักว่าธรรมะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องรู้เราเข้าถึงในตอนนี้ถ้าหากไม่ถึงธรรมะแล้วก็มีความสงสัยลังเลใจ มันไดกินข้าวนางสุดสุดาแล้วก็ถามนางว่านางถวายทั้งหมดก็เลยจับขันลงไปอธิษฐานริมแม่น้ำบอกว่าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายขายกิเลสลดดับทุกได้จริงวางธาตุหรือขันใบนี้ลงบนผิวน้ำนี่ให้ขันนี่ทวนกระแสของน้ำไว้ยังในทางตรงกันข้ามหากจา ไ, ได้ตัดสรุป ไม่เป็นพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้จริงๆแล้ววางธาดและขันธ์ใบนี้ลงไปบนผิวน้ำให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำว่าอย่างไรอันนี้บางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจไม่เข้าใจคำว่าน้ำไม่ได้หมายถึงน้ำที่เรามองเห็นคือหมายถึงจิตใจน้ำใจคนมันคิดไหลไปแต่ข้างตักมันไม่ฟื้นตัวคืนมา ตอนเสาวนี่ก็พูดแล้วบอกว่าทำความรู้สึกตัวให้ตื่นตัวตื่นใจพูดตอนสาวเขาพูดจากนั้นวันนี้พอดีวางลงไปมันก็เลยทวนกระแสของน้ำขึ้นไปอันทวนกระแสของน้าก็หมายถึงว่าเราต้องดูความคิดเรามันคิดมาอย่าไปทํากับมันในวันดูความคิดให้ทันความคิดจะได้ชีวิตใหม่คืนมาอย่างนี้ก็ได้จะได้ชีวิตอย่างไม่มีทุกข์คืนมา ชีวิตที่ไม่มีทุกข์คือปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากโลภะปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่ากิเลสตันหาอุปาทานชีวิตใหม่ๆอันนี้แต่ชีวิตเดิมนั่นแหละแต่ว่าทีแรกเราไม่รู้เมื่อพระองค์มาบําเพ็ญทางจิตนี่แหละพระองค์คอยเห็นนิสพราบหรือภาวะอย่างนี้ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้ ไม่เห็นไม่เข้าใจก็สอบแสวงหาทางก้นทุกเมื่อพระองค์ไปพบไปเห็นไปรู้ไปเข้าใจมาแล้วพระองค์ก็วัดที่นี่ไม่ทุกที่นี่ไม่สุขเราเคยได้ยินไหมเมื่อพระยศเดินไปหาพระพุทธเจ้า่ที่นี่วุ่นวายที่นี่ทุกที่นี่ขัดสนอะไรพระองค์ก็ตอบว่าที่นี่ไม่ทุกที่นี่ไม่สุขที่นี่ไมุ่่นวายท่านจะเดินมาที่ตรงนี้เถิด อันนั้นก็แสดงว่าที่จิตใจเราจริงๆตัวชีวิตรจริงๆนะ่ะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็เลยไม่ถึงธรรมตัวธรรมะธรรมชาติมันมีอยู่ในคนทุกคนจิว๋วไม่ยกเวน้นไม่ใช่ว่ายุคนั้นยุคนี้ยุคใดก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าหากสนใจจริงๆแล้วพระองค์จึงได้พุทธวาแต่เมื่อพระ อ, องค์ตัดสโลใหม่ๆนะทั้งกอรเสวรมุลสลิสเวอรขมสุข หกเจ็ดวันเท่าไหร่อาตมาก็จําไม่ค่อได้ดีพวกคุณพวกท่าน่คูจะจําได้ดีเพราะว่าเคยศึกษาเคยเล่าเรียนมาตัวของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าอวดดีนะเอาความดีมาพูดสู่ฟังคนอวดดีกับคนมีดีเอามาพูดมันไม่เหมือนกันอันนั้นอวดดีแต่ไม่รู้แต่คนมีดีเอามาพูดให้ฟังอาจจะไม่เพราะหูก็ได้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ อาดามาเขียนหนังสือไทยไม่เป็นพูดภาษาไทยก็ยังไม่เป็นภาษาไทยภาษากลางบัดนี้พูดไม่เป็นจะถือว่าเป็นคนไทยไหมไม่เป็นพราะพูดภาษาไทยไม่เป็นแต่คนไทยฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องก็เป็นคนไทยไปคนไทยต้องรู้ภาษาไทยถ้าหากพูดภาษาไทยไม่รู้ก็จะถือว่าเป็นคนไทยไหมไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นคนไทยบัดนี้พูดเรื่องธรรมะให้ฟังแต่ไม่รู้ ก็จะถือว่าเรารู้ธรรมะไหมไม่รู้จะถือเราวบบเราเป็นสาวพุทธไม่เป็นสาวพุธพูดเรื่องพุทธศาสนาให้ฟังต้องรู้มันคนภาษาเดียวกันต้องรู้ภาษากันถ้าพูดภาษาเดียวกันให้ฟังแล้วไม่รู้ก็ถือว่าเป็นคนละภาษากันแล้วดังนั้นที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยจึงหว่าคนถึงทำทำถึงคนเมื่ออตาตมาพูดอย่างนี้ทุกคนฟังแล้วรู้เรื่องนั่นแปลว่าเรารู้ภาษากัน เราไปด้วยกันได้เทพพูดให้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องนั่งกับไอวัตรเรายังไม่รู้ไม่รู้ด้วยกันไม่เห็นด้วยกันก็จะเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อพระองค์เสาะแสวงหาท่านก็เลยบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตท่านพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่สัตว์เด ร, รัจฉานสัตว์มนุษย์นี่เองสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถเทจะตัดสัโลได้ แต่มนุษย์เนี่ยต้องตัดสรู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้านั้นได้ท่านจึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือว่าสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเราตถาคตถ้าทําอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ารู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้นจะไม่รู้อย่างนั้นไม่เห็นอย่างนั้นไม่เข้าใจอย่างนั้นดับทุกข์ไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านจึงพูดว่า สภาพหรือสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันแต่เมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มืดมันไม่บอดอยู่ในใจิตใจแต่พวกเราก็เช่นเดียวกันในขณะนี้กำลังะต่อแสวงหานั้นนะ่ะมืดบอดวกวนอยูน่นะเมื่อเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราถึงแล้วเราก็ไม่ต้องไปรอใครคอยใครไม่ต้องไปศึกษาอะไรให้มาก ศึกษาที่ตัวเรานี่เองนะศึกษาที่ตัวเราไม่เปรียบค้องกับเรื่องใดทั้งหมดพระไตรปิฎกทั้งสามปีฎกก็เอาตัวเราเออกไปพูดอยู่ข้างนอกคนก็เลยไปติดข้างนอกก็เลยไม่ได้มาดูข้างในเมื่อเรามาดูข้างในแล้วสภาพหรือภาวะของผมคิดนั่นเหมือนกันผู้หญิงก็คิดได้ผูชายก็คิดได้พระสงฆ์องค์เจ้าก็คิดได้คนไทยก็คิดได้คนจีนก็คิดได้ ใครใครคิดได้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่มีคนพูดหลายคนเรื่องนี้จะหาพูดเข้าข้างตัวไม่ใช่พูดเข้าข้างตัวพูดความจริงสู่กันฟังบัด น, นี้คนใดเป็นคราวาสเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นหากว่ารู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะทําถึงคนคนถึงธรรมถึงที่สุดแล้ว ไม่เกินสามวันหรือเจ็ดวันตายอันนั้นเป็นการเข้าใจของคนนั้นเรียกคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจธรรมะ ก, ก็ได้มันจะตายทําไมมันตายสิ่งที่มันตายไม่ต้องรอถึง6กวันเจวันพอที่เข้าถึงปึ๊บตายทันทีเลยแต่ไม่ใช่คนตายนะสภาพหรือภาวะสิ่งนั้นเนี่ยมันตายไปแล้วอันนี้เรียกว่าตายเสียก่อนตายตายเสียแต่ยังเมื่อมีลมหายใจให้ท่านว่าจังนั้น แต่เราไม่เข้าใจก็ถือว่าตายอะไรไม่ทราบนี่อันนั้นก็แสดงว่าเข้าถึงทำทำถึงคนต้องถึงเป็นบทเป็นตอนไปถึงที่สุดนั่นน่ะเดียกว่าตายตายจริงๆอาตมาเคยพูดให้ฟังว่าเหมือนกันกับฟิวไฟฟ้าเมื่อมันข้าต้องจากปุ๊บแล้วมันมันไม่ติดกันเลยก็ต้องหาสร้างมาทําให้เองอย่างนั้นหรือจะพูดอาตมาเคยพูดว่าเอาเสื้อในร่อน พูดไว้หลักนี้ต้นหนึ่งและพูกหลักน้นเส้นนึงเรามาตัดตรงกลางทุบเสื้อมันตึงมันก็สเด็จเข้ามาทางนี้เลยนี่อาจจะมาเคยพูดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเคยเลี้ยงเด็กเอามือไปแตะกับพวกลูกก้นเด็กเด็กมันแดงแดงพอเดมือเราไปแตะมันจืดมันมันขาวไปหมดเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อคนใดเข้าถึงภาวะนี้แหละ ตายเลยตายเลยแต่เมื่อตายแล้วอาจจะมาทำไมพูดได้อาตจะมาเป็นโยมเข้าใจเรื่องนี้มาจึงใครจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะธรรมะหัวใจจริงๆคือจุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญนี้แหละพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวเราพูดกันแต่คนก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าตัดผมตัดอะไรท่านก็เลยมาพูดเอาไว้ว่า คนที่จเจริญวิปัสสนานั้นต้องรู้อารมณ์หกอารมณ์วิปัสสนาคือให้รู้ขันห้าอายกัณฐ์สิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทนัให้รู้อันนี้ถ้าไม่รู้อันนี้จะเจริญวิปัสสนาไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ให้เรามีความรู้สึกกันนี้เองสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นมาเองโดยเป็นธรรมชาติ ไม่ยกเว้นจริงๆแต่คําว่าตายเนี่ยเมื่อคนเข้าถึงธรรมธรรมถึงคนถึงจุดที่สุดแล้วตายเจ็ดวันนั้นอันนั้นภายในเจ็ดวันในทุกคนไม่เกินตายทุกคนรู้ธรรมะก็ตายไม่รู้ธรรมะก็ตายถึงธรรมะก็ตายไม่ถึงธรรมะก็ตายภายในวันทิศจันรทร์คานพุทธหัตตุกเสาพาจิตวันนี้ตายแน่ทีเดียวแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นพอดีเข้าถึงจุดนี้ปุ๊บตายทันทีเลย แต่ความตายอันนั้นไม่ใช่ว่าตายหมดลมหายใจแต่ความทุกข์มันหมดไปว่ายัางนี้ก็ได้คนไม่มีทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีตัวไม่มีตนคือคนไม่มีมีแต่พระล้วนๆอยู่ภายใน จ, ใจิตใจแปลว่าถึงสภาพหรือภาวะสิ่งนั้นเลยทีเดีกวถึงที่สุดถึงธรรมะอย่างแน่นอนเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงตอนเข้าถึงตอนนี้ไม่ต้องไหววอนใครทั้งหมด ทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแต่ทำให้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าทัางยังว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตเมื่อทำอย่างพระองค์นะเมื่อไม่ทำอย่างพระองค์แล้วก็ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเราประกาศพระพุทธลูกนั้นก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างพระพุทธเจ้าเราให้ทานเรารักษาศีลนังกดีนั่นไม่ใช่ไม่ดีอันนั้นเป็นเพียงศีลธรรม เป็นเพียงศีลธรรมาศาสนาศีลธรรมเป็นวัฒนธรรมอันนั้นแต่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงธรรมถ้าปฏิบัติธรรมจรงิจรงๆแล้วให้ถึงธรรมจรงิจรงๆแล้วต้องปฏิบัติที่ตัวเราให้เข้าถึงตัวเราที่แรกต้องเข้าถึงรู้จักเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยต่อไปก็ให้เข้าถึงเรื่องทุกขังอนิจจ์อนัตตาต่อไปให้เข้าถึงเรื่องสมมุติต่อไปให้เข้าถึงตัวศาสนา ตัวพุทธศาสนาต่อไปให้เข้าถึงตัวบาตตัวบุญจริงๆเป็นอย่างนั้นที่อาตมามาเล่าให้ฟังวันนี้แปลว่าเข้าถึงธรรมไม่ยากอย่าไปกลัวเลยก็เห็นว่าเหมาะสมกับเวลาที่เราฟังกันวันนี้ว่าอยากรู้ว่าการเข้าถึงธรรมนั้นเข้าถึงที่ตรงไหนต้องเข้าถึงที่ตัวเราเข้าถึงเป็นขั้นเป็นตอนไป เมื่อถึงที่สุดแล้วเราจะไม่เก้อเขินไม่ต้องไหว้วอนใครทั้งหมดเลยรับรองว่ า, าพระพุทธเจ้าสอนของจริงเรียกว่าสัจจะธรรมไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันมีอยู่ในจิตใจของคนทุกคนหรือว่าวันต่อไปครั้งหน้าก็จะพูดเรื่องสัจจะธรรมวันนี้ก็เป็นเพียงหัวข้อ ตั้นๆการเข้าถึงธรรมต้องเข้าถึงจุดนี้ที่อาตมาได้นําธรรมะเรื่องเข้าถึงธรรมมาเล่าสุขฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเกิเวลาแล้วอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ใส่พระพุทธเจ้าเจ้าสายสิทธถากุมารนะพระพุทธเจ้ามีอยู่ในคนทุกคน